เรื่องพิจารณาก่อนตักอาหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเรื่อนสารธรรมิกและท่านผู้บำเพ็ญเลขออาจารีในขมจารีผู้ทรงสิลทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะได้ตักอาหาร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 ประกอบกับความหิวและความอยากของกินเลตนาซึ่งเราได้เคยตามใจมันมาตลอดบันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้สนองตอบความอยากและความหอยยู่นั้นขอให้ท่านผู้บำเพเ็ญเดรกรมะจารีเนกรกมะจารีนีและเพื่อนศัตริกเหล่าทัาพิคุสงองค์สามเณรทั้งหลายได้พิจารณายแยกแยะ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 ความหิวและความอยากออกแกกันเพื่อกอนให้ได้ความหิวเป็นเรื่องของร่างกายต้องการอาหารดินน้ำไฟลมเข้าไปผสมส่วนเพื่อจะอย่างอนเุเคราะห์อย่างอัตภาพนี้ให้ตั้งกูได้สิ่งแสดงอาการออกมาคือความหิวส่วนความอยากนั้นเป็นความปรารถนาะเป็นความต้องการของกิเลสซึ่งเมื่อเกินจําเป็น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 แต่ท่านอย่าบริโภคเพื่ออนุเคราะห์กิเลสให้กิเลสตั้งอยู่ได้งอกงามไพ่โบนและจะทำให้เรานี้เต็มไปด้วยความทุกข์ท่องที่โยกไปมาอยู่ในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดด้วยอำนาจแห่งกิเลสในสปัหาอัญญาพุนเชนะอย่าเป็นตังกาเมสุอนะเปกินันติ เชงบริโภคอาหารอันเจือปนกันเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลไยในกามคือความอร็จอร่อยทั้งหลายเราจักไม่อาไยกับความอร็สอร่อยแต่เราจักบริโภคเพื่ออนุเคราะห์ร่างกายนี้ให้เป็นไปได้แต่ถ้าท่านมัวลุ่มลงสยบอยู่กับความอร็สอร่อย ท่านจะอนุเคราะห์กิเลสให้เป็นไปและก่อให้เกิดความทุกข์ที่ไม่ได้ดังใจของกิเลสต่าท่านสาธุชนเพื่อนสะธรรมิกเอกัมะจารีเนะกัมะจารีนีผู้ทรงศิลทั้งหลายขอให้ท่านจงพิจารณาให้ละเอียดท่านอย่าได้ตักให้มากเกินไปจงกำเนิดทัง้งท้องในน้อยที่มีอจู่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 แต่อย่าให้น้อยจนเกินไปจะเกิดความลำบากไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะเกิดอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยวลาหิวโหวยแต่ขอให้รู้จักคำว่ามัดตันญุตารู้จักประมาณประมาณในการกินการนุ่งห่มการหลับนอนรู้จักประมาณในการบริหารตนเองให้จบเป็นสุขอย่างไรก็ตาม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 นั้นจะเป็นการปฏิบัติความเป็นอยู่อันพาสศเหมาะสมแล้วแกเธอผู้มีตนอันส่งไปแล้วในธรรมวินัยนี้คำว่าเป็นผู้มีตนอันส่งไปนั้นก็หมายความว่าผู้ที่แยกออกมาแล้วจากเยา้าจากเรือนเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกากิเลตปัญหาเพื่อพัฒนาจิตใจตนเองยกระดับจิตใจให้สูงส่งพ้นจากอํานาจควบคุมของกิเลอ เพื่อนศาสรมิกและท่านผู้บาเพ็ญเนกขมะจารีเนกขมะจารีนีทั้งหลายลองดูก่อนก็ได้ว่าถ้าหากวันนี้ท่านตักอาหารเรือไปเนื่องจากว่าความอยากมันมากกว่าความหิวก็เลยตักเอามากๆเสร็จแล้วท้องของท่านไม่ได้ขยายไปด้วยกับเพาะของเราบรรจุได้เฉพาะความโหอยหิว เพียงพอที่จะบรรจุให้อิ่มได้แต่กระเพาะนี้ไม่สามารถบรรจุให้อิ่มเต็มสําหรับความอยากได้ด้วยเหตุนี้จึงกินไม่หมดเมื่อบริโภคไม่หมดก็จะเอาไปทิ้งไปเท เ, เสียซูญเสียไปเป็นจํานวนมากทําให้เราได้คิดได้พิจิตริจารณาเสมอทึ้งคําสั่งสอนของพระศารี า, ษา เมื่อเรากินอิ่มจนไม่หมดแล้วต่อไปก็จะเป็นเวทนาความอึดอัดมอเมื่อร่างกายจะต้องย่อยอาหารอย่างหนักหน่วงที่บริโภคเข้าไปจำนอนมากก็จะก่อให้เกิดเลือดไม่พอที่จะเลี้ยงสมองความม่วงซึมเกิดขึ้นเกิดความม่วงเหงาหาวนอนซึ่งควรจะเรียกว่าเวทนาใหม่การประกอบความเพียรของท่านก็ไม่เจริญก้าวหน้าเมื่อเวลานั่งสมาธิภาวนา ก็มีแต่ความง่วงเหงาหานอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไวว่านิทาตันธิพิชมว <c oughs> ิชมพิตาอารติพัตสัมมะโตอาวสันติสริงรัฐาพหูหิปริปันเถโยอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเกียดครานความม่วงเหงาหานอนความไม่ชอบใจ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 การเมาอาหารคือการจ้อยด้วยความยากลาบากนั่นเองท่านก็จะง่วงเหงาหานอนการประกอบความเพียงของท่านก็จะเต็มไป ด, ด้วยความยุ่งยากลาบากด้วยเหตุ น, นี้เองเชื่อเป็นการสมควรแท้ที่เราบริโภคอาหารเลือเพียงสี่ห้าคจะอิ่มให้หยดเสียแล้วเดือดน้าเข้าไปมากๆพระสารีบุตรเสนาบดีแห่งกองทัพธรรม ท่านได้ทรงพร่ำสอนสิทธิ์ของท่านด้วยถ้อยคําเหล่านี้เป็นประจําประจํายังความเจริญทางจิตใจทางวิญญาณให้เกิดมีแกเ่เราบริวารลกูกเศรษฐลูกหาของท่านมาแล้วเป็นจำนวนมากมีพวกเราก็เช่นเดียวกันเพื่อสะทมิตรและท่านเรชมะจารีเรชมะจารีนี่ทั้งหลายอารมาเชื่อว่า ท่านไม่มีความอดอยากอยู่ที่บ้านที่ท่านมาปฏิบัติธรรมนี้เพราะชาติชรามลณนะโสกับปริเทวะเพราะเหตุว่าชีวิตมีปัญหาคือความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายความแตกสลายความเศร้าหมองอยู่รอบด้านรอคอยอยู่ท่านจะมาประพฤติธรรมเพื่อชำระ ก, กิเลสไปสู่ความสิ้นทุกขโดยชอบนี้อยากสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เอง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 และศาสดาได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนพิกษุททั้งหลายในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นใน น, ในนี้ท่ามกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายที่ยังไม่ประจักษ์แย้งซึ่งอริยสัจ ท, ทั้งสี่เพราะเหตุแห่งอวิชชาเป็นเครื่องอันตัญหาเป็นเครื่องโผกเราและเธอทั้งหลายจึงต้องคล้องที่โยกไปมา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 ถูกทิมแทงเมื่อเราเกิดเป็นสัตว์เดลฉานแพะแกะเป็ดไก่สุกรชาติแล้วชาติเล่าเมื่อเอามารวมกันอมมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาที่เราและเธอทั้งหลายได้ลากลังไหลออกมาเพราะความร้องไห้อันเกิดจากความทุก์ในการพัดภาคจากบุตรภรยาสามีบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาว ชาติแล้วชาติเหล่าถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ําในมหาสมนุนก็ดูกองแล้วเท่าภูเขาที่เราได้เกิดมาได้ตายไปชาติแล้วชาติหล่าดูก่อนพิสดังลายเมื่อใดเธอได้เห็นเศรษฐีคือบ่อเดีขษัตริย์อันมหาศาลในเวทแขวนพามหาสาลหรือไม้พระเจา้าจักรพรรดิหรือที่ผสมบัติบนสงสวน เธอตั้งหลายพึงสรุปได้ว่าแม้เราเองก็เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเช่นนี้ในอดีตชาติทิสูจนทั้งหลายยามใดเธอได้ประสบพบเห็นคนทุกยากลบาบากคนขอทานโรกเรืน้นคนพิกลปิการตาบอดหูหนวกเมื่อนั้นเธอจะได้รังเกียจเดียดฉันพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เรา ก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติในวัฏสงสารอันยาวนานโอภิกษุทั้งหลายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะนายในสังขารทุกขในวัฏสงสารในความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายเธอทั้งหลายจงภาคเพียรจงพยายามจงฟื้นกิเลสฝึกหัดตนท้อนตนออกจากทุกข์พ้นไปเสียจากวัฏสงสาร ถ้ามิเช่นนั้นแล้วเธอไม่ถึงซึ่งความแน่นอนในพระสธรรมเธอจะต้องเทียวไปเทียวมาอยู่เช่นนี้จะเสียใจไปเป็นเวลาอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่ขาดทุนอย่างย่อยยับฉะนั้นพระศาสดาได้ตัดคํำนี้อยู่ไปต่อยว่าอิทะเจนังวิราเทสิสธรรมมศนิยามกังจิรังตะวังอนุตัะเปสิสเซริวะอย่างวะวานโย ถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในวิถีทางแห่งธรรมพระสธรรมในศาสนานี้ท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเหมือนพ่อขาผู้ขาดทุนอย่างย่อยยับชื่อเฟรีวะฉะนั้นด้วยเหตุนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติข่มใจฟื้นใจทรมานกิเลสตานานนี้ขอท่านอย่าได้เข้าใจว่าเกิดมาเพื่อขาดทุน แทนที่จะได้กินอ ร, อร่อยอรยนอนอร่อยอร่อยตามใจตนเองอย่างสะดวกสบายนั้นมันเป็นกำไรของชีวิตหาไม่ได้เราเคยขาดุนเช่นนี้มาแล้วหลายแสนชาติหลายโกฏกับวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราจะทวนกระแสปฏิโซตะคามิงทวนกระแสแห่งกิเลสตัญหาทรมานกิเลสตัญหายรอลหลัง เพื่อไปสู่ความแน่นอนแห่งพระธรรมในศาสนานี้จึงไม่เป็นการทรมานตนเองเลยหากแต่เป็นการทรมานกิเลสซึ่งมันเคยทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติหลายโกรธกับฉะนั้นเพื่อสะทมิกเลยท่านผู้บําเพ็ญเดกรรมาจารีเนกกรรมาจารีทั้งหลายอาหารที่เรียนรายอยู่เฉพาะหน้านี้นั้นเกิดมาจากแรงศรัทธา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 จึงเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดไว้เป็นพุ่มเป็นพวงแห่งคณงามความดีเอามาทำอาหารเลี้ยงดูพวกเราบางท่านก็ขอจับจองเลี้ยงทั้งหมดแม้จะสูญเสียเงินทองเป็นจับจอบมากแต่ก็ปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่คือบุญคือกุศลแม้เราทั้งหลายก็จงอนุเคราะห์บุญนั้นด้วยการตร่อพืชด้วยการปฏิบัติอันดีอันงาม สังรวมในอาหารสังรวมในเอ็นรี์ของตนเองให้เหมาะสมแก่สมณะสารูปแก่พรหมจรรย์ที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เพื่อนของเรามีจํำนวนมากที่กําลังเดินตามมาอาหารที่กําลังตักใส่ภาชนะชอยในขณะนี้ขอให้กำเนิดถึงท้องน้อยอย่าให้มันล้นเหลือและเผื่อแผ่ถึงผู้ที่ตามมาเบื้องหลัง าการกระทำเช่นนี้เป็นการฝึกหัดขัดเกล้าอบรมนิตาบาลมีนิตาธรรมเพ่ความรักไปอย่างเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมพรหมจรรย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมถ้าเหลือจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นผุกคนอื่นต่อไปอย่าให้มันเลือในภาชนะเพื่อจะเอาไปเททิ้ทงๆคว่างๆเพราะสาตรดาไม่เคยสรรเสริญ และพระองค์สรงกล่าวว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยธรรมสามประการนั้นแม้จะอยู่นาที่ใดการประพฤติการปฏิบัติของเขาก็เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องหนึ่งเป็นผู้สำรวมตาหูจมูกกลิ่นกายใจควบคุมอารมณ์เมื่อมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีความนึกคิดความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในใ จ, ใจิตใจ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 สำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคและทำประกอบความตื่นอยู่เสมอเช่นนี้ภาษาตดากล่าวว่าเป็นอปันนักปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ผิดจากทำวิ น, นัยเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อความก้าหน้าไม่มีทางถอยหลังแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์จะอยู่คนเดียวที่ใดก็ตามเมื่อประกอบด้วยทำสามประการนี้ไม่มีทางผิด ไปจากแนวทางแห่งพระอริยะเจ้าวันคืนของผู้นัน้นมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวแต่บัด น, นี้เรามากันไปจำนวนมากทั้งมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำเพิ่มสอนเว้า ว, วอนบอกกล่าวเมืจะกินจะอยู่จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะพูดจะคิดก็มีครูบาอาจารย์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 ก็จะเป็นผู้มีความกิริยากล้าขาแข็งเข้มแข็งทางจริยธรรมเมื่อนั้นการเดินทางแห่งชีวิตจิตใจก็ไกลออกไปไกลออกไปจากความชั่วก็ให้ห่างออกไปจากกิเลสตัญหากิเลสตัญหาที่มีอยูย่ในจิตในใจก็จะเริ่มอ่อนเปลี้ยเพี้ยแรกกิเลสตัหาเหล่านั้นขาดอาหารคือตามอกตามใจไม่ได้มันก็จะสู้ผอมลงผอบลง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 เขาเพ่นโทษเขาติดเตียนเราก่าวว่าเป็นอุปเกเรของผู้บำเพ็ญตะบะท่านจะได้เลือกเลยว่าอันนี้เป็นเนื้อเป็นปลาอันนี้เป็นผักเป็นธรญชาติอันนี้เป็นเจอันนี้เป็นมัง ส, นนงสวิรัตนที่ส่วนในธรรมวินัยนี้นักบวชในศาานานี้ไม่สามารถที่จะเลือกได้พระศาสดาว่าผู้ไม่ติดเตียนอาหาร ไม่ติดในรสชาติอาหารในส่วนสองย่อมท่องเที่ยวไปได้ทั่วทั้งเว่นแหวนมุทัตส์รัตเทเจรรโตย่อมท่องเที่ยวไปทั่วทั้งเล่นแหวนอย่างอิสระภาพไม่ตำหนิติเตียนไม่ดูถูกดดเมินอาหารทั้งหลายย่อมสามารถท่องเที่ยวไปทั่วทั้งเล่นแหวนในอาณาจักรอันไพศาลเหมือนนกที่มีปีกเพียงสองข้าง สามารถที่จะโบกบอยบินไปสู่ที่สาภาคใดๆก็ได้ท่านจะได้ดูถูกดูแคลนว่าอันนี้ข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้เหมาะแก่เราอันนี้ไม่เหมาะแก่เราเชิญเถิดท่านผู้บำเพ็ญเนกธรมจารีเนกธรมจารีจงฝึกตนจงฝึกใจลดกิเลสตัณหาลงโซอาหารการปฏิบัติธรรมนั้นละเอียดมากนะัก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 ณที่ตรงใดมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีการสัมผัสต่างตายและมีความคิดมีอารมณ์แหงจิตใจเกิดขึ้นที่นั้นแหละเวลานั้นแหละขณะนั้นแหละเป็นขณะเป็นเวลาที่เราจะต้อง